บางทีภาวนานะความเป็นตัวเป็นตนมันหายไปแต่มันหายชั่วคราวเดี๋ยวมันมาได้อีกในความเป็นจริงแนละ้วความเป็นตัวตนไม่ได้มีตลอดเวลาเกิดขึ้นเป็นคราวๆเกิดแล้วดับเหมือนกันเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆเมื่อไร่จิตมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะขนาดนั้นนะตัวตนก็หายไป ขนาดใดจิตไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะความเป็นตัวตนก็มีขึ้นมาอีกนะงั้นบางทีเราภาวนานะทําสมาธิไปนะใจรู้ตื่นเบิกบานตั้งมั่นว่างๆสว่างอยู่ตัวตนหายไปถ้าศึกษาไม่ดีออก็จะคิดว่าละไปแล้ววิธีละก็คือฝึกสมาธิไปเรื่อยจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ตัวตนหายไปนะมันไม่ถูกหลักจะหายได้จริงด้วยปัญญา ลำพังหายด้วยสมาธิเดี๋ยวก็มาอีกงั้นเราหนีการทำวิปัสสนาไม่ได้พอจิตเราสงบจิตเราตั้งมั่นมีสมาธิแล้วอย่าอยู่แค่นั้นเฉยๆดูเหมือนดีดูเหมือนนิพพานนะนิพพานปลอมให้เราย้อนมาดูกายดูใจมันทำงานแต่ดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไว้เมื่อไรเราเห็นความจริงจิตมันเห็นความจริงอย่างท่องแท้ ว่าขันทั้งหลายตกอยู่ใต้ใจลักมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้แล้วไม่กลับมาอีกงั้นเวลาภาวนาบางคนนะ้นึกว่าฝึกสมาธินะจนใจรู้ตื่นเบิกบานว่างๆนี่แหละดีแล้วจบเส้นทางปฏิบัติไม่มีแล้วมีแค่นี้อันนี้ไม่ถูกเราฝึกจนใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยต้องมาเดินปัญญาต่อมาแยกรูปน้า ดูธาตุดูขันทำงานไปด้วยจะถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงด้วยปัญญาไม่ใช่ถึงความบริสุทธิ์ด้วยสมาธิงั้นบางคนดูนะตัวเราหายไปตัวเราหายไปตร า, าตบใดที่ยังทรงสมาธิอยู่ก็หายสมาธิเสื่อมเมื่อไหร่มันก็มาอีกอะนะงั้นการที่เราฝึกจทถ้าเรารู้สึกตัวได้แล้วใจสบายโปร่งนะต้องดูขันมันทางานต่อ อย่าหยุดอยู่แค่นั้นเดี๋ยวตัวเรามันมาอีกดูจนปัญญามันเกิดไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกจากขันห้าไม่มีเราที่ไหนเลยนะปัญญาเกิดนี้มันล้างความเห็นผิดไปนะก็จะไม่กลับมาอีกไม่งั้นกระเส่นกระสายเดี๋ยวก็โผล่มาอีกล้หายไปเดี๋ยวเดียวก็มาอีกแล้วยังเชื่อไม่ได้นะพระเจ้าท่านถึงบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา งั้นเราภาวนาค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะสมาธิบางอย่างนะเหมือนเหมือนนิพพานเหมือนเหมือนนะไม่เป็นจริงหรอกนิพพานจอมปลอมมีเข้ามีออกบางทีทําสมาธินะรักษาจิตจนว่างแล้วก็คิดว่าจิตที่ว่างแล้วนี่แหละนิพพานบางคนต่ำกว่านั้นอีกคนภาวนาแล้วจิตสว่างขึ้นมา ไปอยู่ในความสว่างไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ความสว่างโล่งสบายมีความสุขนะคิดว่าอะนี่นิพานสว่างว่างนะตัวนี้เรียกอากาศสานัญจยตนะไม่ใช่ของจริงหรอกชั่วคราวยังเสื่อมได้อีกบางคนเห็นว่าทรงจิตไปอยู่ในว่างนะจิตยังต้องทำงานนะยังเป็นภาระอีกมาดูตัวจิตไว้มาประคองตัวรู้ไว้ เพ่งตัวรู้ตัวจิตจนกระทั่งจิตนิ่งว่างสบายอยู่ที่จิตไม่ได้ไปอยู่ในช่องว่างอย่างแรกจิตไปอยู่ในช่องว่างพวกเราที่ดูจิตดูจิตแล้วดูผิดนะนะจิตมันีไปอยู่ข้างหน้ารู้สึกไหมเราไปว่างแล้วเราไปก่ออยู่ว่างๆแล้วนะนี่นเสร็จเลยนีนสมรฐานิดหนึ่งเพ่งความว่างบางคนไม่เพ่งความว่างมาเพ่งตัวตัวจิตเป็นสมรฐาอีกอย่างหนึ่ง ือวิญญาณัญจายตนะเพ่งตัวผู้รู้มันจะเกิดตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดจะรู้สึกว่าวิญญาณเป็นอนันต์ไม่มีที่สุดเลยเป็นอินฟินิตี้ซ้อนซ้อนซ้อ น, อ น, อนไปเรื่อยบางคนก็ภาวนาต่อไปอีกเห็นว่าส่งจิตไปอยู่ในว่างว่างเป็นของถูกรู้ก็ไม่ดีส่งจิตมาประคองอยู่ที่จิตที่ตัวรู้ก็ไม่ดียังเป็นภาระอยู่ เลยทิ้งทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้นะทิ้งทั้งจิตที่เป็นผู้รู้ไม่ยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรสักอย่างเอาความไม่เอาอะไรเอานะแต่เอาความไม่เอาอะไรไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์ตัวนี้ชื่อว่าอากินจัญญายตนะเป็นสมถะอีกแบบหนึง่งเป็นอรูปฌานตัวอากินจัญญายตนะเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญาพอ น, ะนึกว่านิพพาน เราไม่ยึดอะไรเลยฟังๆแล้วเคลิ้มๆไปนะเหมือนที่หลวงปู่ดูลบอกเลยนะเนี่ยถ้าจะใช่แล้วว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเนะหลืออย่างเดียวความไม่มีอะไรเหลือแต่ความไม่มีอะไรยนะึดตักความนะไม่มีอะไรนึกว่านิพานนะไม่นิพานจริงหรอกนี่จิตเนี่ยพอ Bem, อยู่ในความไม่มีอะไรนานนะนะ การหมายรู้ไม่มีการหมายรู้ไม่ต้องหมายเพราะไม่มีอะไรให้หมายไม่ได้ยึดอะไรไว้เลยตัวสัญญาจะอ่อนลงนะอ่อนลงอ่อนลงในสุดสัญญาเหมือนจะดับเหมือนเหมือนจะดับรีบดีรีบดีเลยนี้เดี๋ยวแทบไม่รู้สึกถึงการหมายอะไรเลยนี่เป็นอรูปตัวที่สี่ชื่อในว่าสัญญานาสัญญายตนะอยู่ตรงนี้มีความสุขมาก รวงความแล้วมันมีกับดักเต็มไปหมดเลยสำหรับผู้ปฏิบัติัน้นต้องมีสติมีปัญญาต้องเรียนถ้าไม่ได้หาครูบาอาจารย์ที่มั่นใจได้จริงๆนะต้องสังเกตตัวเองให้มากว่าจิตเราไปติดไปข้องอะไรหรือเปล่ากระทั่งไปติดความไม่มีอะไรเลยก็ติดนั่นแหละสมัยพุทธกาลก็มีคนหนึ่งไปคุยอวดพระพุทธเจ้า บอกว่าอะไรอะไรก็ไม่คู่ควรแก่ข้าพระองค์หมายถึงเขาไม่ยึดอะไรสักอย่างเลยพระพุทธเจ้าท่านย้อนให้บอกถ้าอย่างนั้นความคิดว่าอะไรอะไรก็ไม่คู่ควรแก่ท่านก็ไม่สมควรแก่ท่านด้วยท่านยังยึดในความคิดความเห็นอันนี้นะเขามองเห็นตัวนี้นนค่อยฉลาดขึ้นเรนภาวนานะอย่ารีบร้อนเป็นพระอริยะอริยะเยอะนะ <laughs> อริยะไม่ค่อยมี นี่ทำสมาธิแล้วว่างๆขึ้นมาเเป็นพระอริยะไม่ได้หรอกไม่นานก็ตายตายจากความเป็นพระอริยะกิเลตเกิดอีกหลวงพ่อเคยทำผิดภาวนาเนี่ยทำผิดมามากมายนานาชนิดนะถึงทุกวันนี้พูดเสียงดังห้าวหารเพราะว่าเคยผิดอะ่ะแล้วครูบาอาจารย์ท่าน <laughs> ท่านเลยต้องบอกให้บางโองไม่เคยรู้จักท่านนะ ยางเรปูวูุญจันทร์หลวงปูบ่บญจันทร์อยู่รรมผาพึ่งไม่เคยรู้จักท่านท่านก็สงสารเราภาวนาผิดตอนนั้นภาวนาเราเห็นไหมถ้าเราส่งจิตไปรู้อารมณ์นะมันก็ไปยึดอารมณ์ย้อนกลับมาดูตัวผู้รู้มันก็มาเกาะตัวผู้รู้เราไม่เอาเลยดีกว่าทั้งสองตัวจิตเคลื่อนไปที่อารมณ์นะให้มันเคลื่อนไปพอจะเข้าไปจับความว่างนะ ไม่เอาทวนกระแสกลับเข้ามาหาตัวรู้อีกพอทวนเข้ามาหาตัวรู้จะจับตัวรู้แล้วไม่เอาทวนออกไปอีกเข้าออกเข้าออกนะอยู่ๆมันก็รวมลงตรงกลางโอ้ว่างหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะถ้าจะดีแต่ดูไปดูไปตรงนี้สมถ t ตรงนี้สมถ t h แน่ๆเลยจิตนอนนิ่งๆโง่ๆอยู่เฉยๆเงี้ยไปกราบเรียนหลวงปู่เทศท่านว่า เออมันเป็นสมาธิหรอกไม่ใช่ของจริงหรอกไม่ใช่นิพานอะไรหรอกแต่ว่าให้ซ้อมไหมให้เล่นไหมบอกว่าไม่มีคนเล่นสมาธิเดี๋ยวนี้หาคนฝึกสมาธิยากก็กลับเรียนท่านมอกว่าผมกลัวติดนะท่านบอกถ้าติดท่านจะแก้ให้อะไรอ่างเี้ยความจริงไม่ต้องกลัวติดเลยเพราะเรากลัวมันอยู่แล้วเราไม่ติดหรอกแต่ว่าท่านบอกให้เล่นเราก็เล่นนะเล่นเล่นคิดว่าทําไปแล้วคงจะดีอะไรสักอย่าง วันหนึ่งไปวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่ไปกลางคืนแล้วไปสัมมนาที่เชียงใหม่กนะลางคืนคนอื่นเขาไปกินเหล้าเราหนีเข้าวัดวัดมืดตื้อตือเลยเราก็หนาวมากหน้าหนาวไฟฟ้าก็ไม่มีวันนั้นเข้าไปถึงประตูวัดมีเพลาวหนึ่งมายืนรออยู่แล้วหนุ่มๆ ม, มายืนรออยู่นหน้าประตูพอท่านเจอหน้าท่านบอกเลยว่าไปหาท่านอาจารย์บุญจันทร์หน่อยท่านมา จากถ้ำผาพึ่งทีแรกท่านออกจากถ้ำผาพึ่งแล้วท่านแวะไปกราบหลวงปู่สิมมาพระเนี่ยอยู่กับหลวงปู่สิมนะตามอาจารย์บุญจันทร์มามาอยู่วัดสันติธรรมที่เชในตัวเมืองเลยหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อไม่บอกผมไม่รู้จักหลวงปู่บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์ไม่รู้จักท่านหรอกนล้วนี้มันมืด ม, มากแล้วค่ําแล้วไม่ไปหรอก จะมหาอาจารย์ทองอิ น, อานถามอาจารย์ทองอินอยู่ไหมบอกอยู่ก็ไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะสักชั่วโมงหนึ่งออกจากกุฏิอาจารย์ทองอินนะพระนี่ท่านอย่างเฝ้าอยู่ไปหน่อยหน้าไปหน่นะอยหน้าไปก็ไปนะไปแบบเสียไม่ได้นะพอขึ้นไปกุฏิที่อาจารย์บุญจันทร์ท่านพักอยู่ท่านไม่เข้าห้องนะท่านนั่งบนตังนอนอยู่บนตังคกลุมโปงอยู่ผม ด้วยภาแบบเดียวกับที่หลวงพ่อผมไว้เช้า้าพแบบนั้นท่า น, นเป็นไข้ไม่สบายสั่นสันนะอุตรารอนะพอเราขึ้นไปกราบท่านท่านลุกขึ้นมานั่งชี้หน้าเลยไม่ภาวนายังไงท่านทำเสียงดูดุด้วยลวเล่าให้ท่านฟังนะเนี่ยภาวนานะไม่จับตรงโน้นไม่จับตรงนี้ไม่จับอะไรเนี่ยใจก็ว่างนะตรงเนี้ยเหมือนไม่มีเวลาเลยตรงเนี้ แ, แทบจะเรื่องอากาลิโกเลยไม่มีเวลาเลยไม่รู้เรากี่นาทีนะมนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเล่าให้ท่านฝั่งนั้นโดนท่านตะกอคอกออกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเราไม่ได้พูดคาว่านิพพานนะแต่ในใจเรานึกว่าอย่างเนี้ยนิพพานโดนดา่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไหนจะภาวนา ย, ยังไงเราก็นึกว่าท่านฝังเราไม่รู้เรื่องหมายถึงภาษาสำเนียงเนะี้ย ฟังยากเล่าซ้ำนะแบบเดิมโดนท่านด่าอีกตะข้ออีกเฮ้ยนิพพานอะไร <laughs> มีเข้ามีออกใจเรารู้เลยใจมันทิ้งเลยนะรู้เลยโอ้เรื่องสมาธิเนี่ยนะไม่ทําให้นิพพานหรอกถ้าไปหลงสมาธิอยู่นึกว่านิพพานนะเหมือนไม่มีกิเลสเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีกิเลสแล้นิพพานจริงๆไม่มีเข้ามีออกนั่นหรอกถ้าเข้าออกได้ยังเป็นภพอยู่ เป็นพบอยู่สร้างขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวงั้นการภาวนาต้องประนีตนะต้องฟังอยู่ๆรู้เองรู้ยากนะรู้ยากเราไม่ใช่ภูมิที่รู้ได้ด้วยตัวเองของหลวงพ่อภาวนาเวลาทำผิดนะครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ทุกทีเลยไม่ทันถามเลยท่านก็บอกให้มีคราวหนึ่งไปหลงว่วางอยู่ข้างในส่งจิตเข้าข้างในนะตามไปดูกิเลส กิเลสมันโผล่ขึ้นมาที่กลางอกใครเคยเห็นมั้งกิเลสมันโผล่ที่กลางหน้าอกเราอยากรู้นะว่าลึกๆมันไปอยู่ที่ไหนรากมันอยู่ที่ไหนจะต้องวันนี้ต้องตามดูให้ถึงที่สุดเลยไล่ลงไปลึกลงไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดจะหาจุดตั้งต้นของกิเลสหาอยู่ตั้งหลายวันนะไม่ถึงมันยังไม่เจอพอตามลึกลงไปมันก็หายไป เราก็จะรอดูเมื่อไหร่มันจะโผล่ตรงไหนก็ตามลงไปช่องนั้นอีกอะไรเงี้ยไล่อย่างเงี้ยดีไปเจอหลวงปู่สิ์นะบอกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่ประเภทผู้รู้ว่าหลงเข้าไปข้างในแล้วเป็นผู้หลงแล้วไม่ใช่ผู้รู้แล้วท่านแกให้อีกทีหนึง่งจิตไหลออกไปอยู่ข้างหน้าวสว่างว่างไปหมดเลยเหมือนที่พวกเราจํานวนมากเป็นภาวนาแล้วมันว่างไปอยู่ข้างหน้า อันนี้ไปถามอาจารย์มหาบัวบอกครูบาอาจารย์บอกให้ผมดูจิตนะผมก็ดูจิตมานานแล้วทําไมมันไม่พัฒนาเลยมันสว่างว่างสบายมีแต่ความสุขอยู่แค่นี้แหละไม่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเองอะไรๆก็สู้พุโทโธไม่ได้ท่านบอกอย่างนี้มาพุโทโธพุโทโธตอนั้นจิตมันทิ้งพุโทโธไปนานแล้วพอพุโทโธนะั้นทุกข์เหมือนโลกจะแตกเลย จิตไม่ยอมพุโทโธจิตไม่พุโทโธก็ไม่พุโทโธหายใจอย่างเดียวก็ได้หายใจไปหายใจไปจิตสงบจิตรวมนะเลยรู้ว่าจิตออกนอกที่ว่าสว่างว่างอะออกนอกออกไปว่างอยู่ข้างนอกเห็นส่งจิตออกไปข้างนอกก็ผิดนะส่งลึกเข้าไปข้างในก็ผิดนะตอนหลังมาประคองไว้ตรงกลางเจอท่านจาันบุญจันจวกให้ตรงกลางก็ผิดอีกแล้วจะทาไงดีวะ ไปข้างนอกก็ผิดนะไปข้างในก็ผิดนะอยู่ตรงกลางก็ผิดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอะหลวงปู่ดนเองเคยบอกจิตไม่มีที่ตั้งแต่โอ้กว่าจะเข้าใจนะยากนะยากต้องภาวนาตั้งอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ตั้งอยู่ข้างในก็ไม่ใช่ตั้งไว้กลางๆ ก, ก็ไม่ใช่จงใจเมื่อไหร่นะก็เป็นพบเมื่อนั้นนะเพราะเราภาวนาจิตไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งหรอกแต่ว่าไม่ว่าจิตจะอยู่ที่ใด จิตที่นั่นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาจิตไปไว้ตรงนั้นตรงนี้จิตไปตั้งอยู่ตรงกระหม่อมจิตอยู่เนื้อหัวจิตอยู่หน้าภาคจิตอยู่ลิ้นปี๋ jas. เราไม่ได้ฝึกเอาอย่างนั้นหรอกแต่เราฝึกให้เห็นว่าจิตเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นะงั้นภาวนาไม่ได้ภาวนาเพื่อประคองเอาไว้ยังจุดใดจุดหนึ่งถ้ายังประคองไว้ยังจุดใดจุดหนึ่งยังเป็นสมถะอยู่แต่ถ้าเราเห็นใน ทุกอย่างที่เกิดนะไม่ว่าเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นนะมีแต่เกิดแล้วดับตลอดเวลาอย่าง น, นี้ถึงจะเดินปัญญาค่อยๆฟังค่อยๆเรียนไปนะเป็นลำดับลำดับไปบางวันก็สอนยากๆหน่อยบางวันก็สอนง่ายๆพวกเรามีนักเรียนห้องเดียวกันแต่มันนักเรียนหลายชั้นมาเรียนรวมกันคนไหนยังไม่เข้าใจก็จำไว้ก่อนฟังไว้ก่อนคนไหนภาวนามาถึงตรงนี้แล้วได้ไม่เสียเวลาติดขัด จําไว้วันข้างหน้าก็ได้เห็นได้เอาไว้ใช้บางทีครูบาอาจารย์ก็สอนล่วงหน้าหลวงปู่ดูลย์เคยสอนธรรมะหลวงพ่อล่วงหน้าตั้งนานเลยท่านสอนว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้กว่าจะเข้าใจที่ท่านบอกตั้งนานเลยใช้เวลาเป็น10บสปีงั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกนะบอกล่วงหน้าให้ก็มีเอาไว้เป็นมรดกนะติดเนื้อติดตัว ช่วยตัวเองได้ในวันข้างหน้าใครรู้สึกมีความสุขแต่ฟุ้งซ่านบ้างรู้ทันเนาะมีความสุขแล้วทำไมฟุ้งซ่านได้ฟุ้งซ่านเป็นโมหะนะเพราะฉะนั้นความสุขที่ประกอบกับโมหะเนี่ยต้องเป็นความสุขที่เกิดร่วมกับจิต ท, ที่มีราคานะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้มีราคะนะถ้าตายแล้วจะไปเป็นไปไหนเออไปเป็นเปรตตอบถูกอีก อ้อาวต่อไปคนที่อยู่วัดส่งเงินบ้านก่อนก็เห็นแต่งงงครับหลวงพ่อเห็นแต่มันงงงครับงงก็ก็สักแต่ว่าทําก็พยายามทําไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกรู้สึกเหมือนการปฏิบัติทุกวันนี้มันเหมือนมันมันทำอะไรไม่ถูกอี่ยไปตำลุมบอนกับมันสิครับดูมันทําเราไม่ได้ทําอะไรครับนะสบายๆายมันงงรั่วงง ครับมันอยากรู้ให้ชัดรู้ว่าอยากรู้ลงปัจจุบันไปอย่างนี้แต่นอกจากติดประคองบ้างอะไรอย่างเงี้ยะนอกนั้นผมไม่ได้ทำผิดนอกลู่นอกทางใช่ไหมครับหลวงพ่อจิตซึมไหมซึม <นะ S 2> ครับนะตัวนี้มีโมหะครับเวลาภาวนาอย่าไปประคองประคองมากๆมันซึมภาวนาด้วยความรู้สึกสดชื่นกระปรีก้กระเพราแต่ไม่กระดีกระดานะ อย่างพวกเราเนี่ยคดีกระดามากไปแ ส, สดชื่นนะกระดีกับเปล่าอย่าให้ซึมนะจิตให้มันรู้ตัวขึ้นมาอ่ะต่อไปครับตอนนี้ก็ฝึกดูลมหายใจอยู่ครับว่าใจเข้าใจโอ้โหไหมตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเป็นแล้วครับเออดีนะดูไปแต่ว่าช่วงระหว่าง เราหายใจเข้ากับหายใจออกมีช่องว่างแต่ว่าจิตมันยังคิดเออมันนีไปคิดไม่ห้ามนะไม่ห้ามจิตไปคิดก็แค่รู้ว่าจิตไปคิดแค่นั้ น, นะนจิตทำยังไงครับไม่ทำอะไรรู้อย่างที่มันเป็นเห็นไหมจิตไปคิดได้เองเนี่ยที่หัดภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อให้เห็นขันมันเป็นไตรลักษณ์เพราะาเห็นจิตนะถ้าจิตไปคิดดูเลยมันคิดได้เอง ถ้าเห็นตรงนี้ได้เนะี่ก็ภาวนาบได้ละแค่นั้นก็พอลอะจิตไปคิดไหมตอนเนี้ยตอนนี้ไม่คิดครับตอนฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยมีฟังไปคิดไปไหมตอนฟังหลวงพ่อพูดไม่ยังไม่คิดครับโอ้แล้วไปคิดตอนไหนก็ช่วงที่กําลังฝึกอยู่ครับช่วง <c oughs> ที่เอาเวลาทั้งวันไม่คิดเลยเนาะความจริงนะเวลาที่ฟังหลวงพอ่อลองสังเกตให้ดีไม่ได้ฟังอย่างเดียวอะ่ะเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบนึง เดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังสองสามคำก็คิดนะคิดเรื่องที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละคิดทบทวน น, นีคิดครับอันนี้แม่มันคิดสลับนะนั้นจิตไปฟังเราก็รู้ทันจิตไปดูเราก็รู้ทันจิตไปคิดเราก็รู้ทันนะก็เดตามดูมันทำงานอย่างนี้เรื่อยๆไปฝึกไปอย่างนี้แหละอาต่อไปเมื่อวานตอนเย็นเดินก็พยายามตามดูเวลาจิต ออกไปห ล, ลงไปคิดอะคะ่ะแต่ว่าจะมีรู้สึกว่าจะมีก้อนหนักๆอยู่ด้วยเมื่อเช้าก็เดินอีกทีเราก็ดูรู้สึกว่ามีก้อนอยู่เหมือนกันแต่ก็มาพิจารณาว่าเราพอเราจมลงไปอพอรู้สึกว่าเราสักแต่ดูก็เบาขึ้นอะคะอ่ะพอแล้วก็ <มา S 1> อดไรจงใจบังคับจิตนมันจะแน่นค่ะจะแน่นขึ้นมาเพราะเราไปบังคับมันค่ะองชายพุโทโธเป็นเครื่องอยู่มาดูเปลาหลงออกไปนะคะดีใช้ได้ แต่เวลานั่งนั่งสมาธิเนี่ยหลงพ่อไปนานมากแล้วก็บางครั้งก็เหมือนกับสับประหกหลับไปอะค่ะหลวงพ่ อ, อืกระดุกระดิกเลยถ้านั่งแล้วหลับนะเคลื่อนไหวไหมหลวงพ่อมีพัดเห็นไหเดี๋ยวนี้เขาต้องมีพัดไว้ให้หลวงพ่อเสมอนั่งตรงไหนแล้วก็มีพัดนะเอาไว้ภาวนา <c oughs> ถ้าหน้าหนาวเราก็พัดนี้ <c oughs> <laughs> ถ้าร้อนเราก็พัดนี้ให้มันได้เคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวไว้ดีกว่านิง่ง นิ่งแล้วจมลงไปซึมซื้มไม่ดีของคนฟุ้งไปนะทําสมถะเพิ่มขึ้นอย่าพุโทโธก็พุโทโธติดต่อกันไปทั้งวันเลยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะพุโทโธไปเรื่อยใจจะได้มีแรงขึ้นมานั่นฟุ้งไปคราวญมีจุดอ่อนเรื่องฟุ้งสั้นนะ ว, นวันวันหนึ่งเรามีเรื่องคิดเยอะใจเราไม่ค่อยมีแรงถ้าเราไม่ทิ้งสมาธินะซ้อมทุกวันทําในรูปแบบนั้นได้สมาธินะ วันที่เริ่มปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็จะฟุ้งฟุ้งเยอะมากเราด้วยความที่เราติดเคยทําแบบรูปแบบมาจะรู้สึกว่าทนไม่ได้กับการที่ใจเรามันฟุ้งซ่านก็ก็มีขี้โกงนะเจ้าค่ะก็คือเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองคือจากที่มันฟุ้งมากมากมคือเคยจําอารมณ์ที่ว่างได้ไงเจ้าค่ะก็ใช่นั่นเป็นสมถะใช่ก็แบบรู้สึกว่าเรากระรือสึกกําลังเราไม่พอที่จะที่จะไปตามรู้สภาวะที่มันฟุ้งซ่าน อถ้ามีแรงพอนะดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ไหวดูกายดูจิตก็ไม่ไหวดูกายก็ไม่ไหวทำสมถะถูกต้องก็ทำสมถะร่วมอยู่ด้วยตลอดนะเจ้าค่ะเมื่อวานกูเก่งไหมกูเก่งไหม <laughs> <laughs> ไม่เก่งไม่เก่งจนกระทั่งเหนื่อยเจ้านคะ่ะ พ, พ, พอหัวค่ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไม่ไม่อยากที่จะมาเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองแล้วก็อยู่ในอารมณ์สมถะตลอด<น> ะ, ะเจ้าค่ะ <laughs> ก็เลย เปลี่ยนจากนั่งสมาธิมาเดินจงกรมทีนี้เดินจงกรมก็ยังติดรูปแบบอยู่เพราะว่าเคยเดินแบบขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมาก่อนก็สู้มันไม่ได้อยู่ดีก็เลยปล่อยไม่เดินจงกรมเดินเฉยเเดินเฉยเพราเดินเฉยเฉรู้สึกว่าใจมันไม่ไปเกาะอยู่กับเท้าที่เดินแต่แค่อาการที่เดินอยู่เจ้าค่ะก็รู้สึกว่ามันเบาใจเบารู้ว่าใจเบาพอใจรู้ว่าใจเบาใจหนักรู้ว่าใจหนักพอมีลมมากระทบ รู้สึกเย็นเย็รู้สึกเย็นๆรู้สึกว่าเออมันเบามันสบายขึ้นแล้วความฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยที่มันเป็นใหญ่ๆก้อนๆเนี่ยมันหายไปเพราะวันนี้รู้สึกสภาวะที่ได้คือใจมันไหลอยู่ตลอดเวลาเลยจค่ะจิตมีธรรมชาติออกนอกนะหลวงปู่ดุลบอกยงี้เราก็แค่รู้ทันรู้จงกระทั่งสติรู้นะว่ามันไหลไปสุดท้ายปัญญารู้ว่ามันไม่ใช่เราเราบังคับมันไม่ได้มันทงานได้เอง ดูไปจเนเดียทั้งมันเกิดปัญญานะดูอีกดูไปเรืนะ่อยครับก็เริ่มปฏิบัติคือปกติไม่ได้ทําในรูปแบบแต่พอได้มาอยู่ที่วัดก็ได้เดินจงกรมทําในรูปแบบแต่ทั้งวันที่เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าก็จะฟุ้งซ่านเยอะจนมาในช่วงเย็นเดินจงกรมไปก็พอไปเห็นว่าฟุ้งซ่านมันก็ไปเกาะที่นี้มันก็จะหนักขึ้นมาครับ แต่พอจังหวะที่เดินไปช่วงจะ ก, กลับตัวออืเหมือนกับได้หยุดดูแล้วจะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเหมือนกับเหมือนไปดักรอฟุ้งซ <c oughs> ่า น, นนั่นแหละมันดีตรงที่เวลาเราเดินจงกรมนะพอสุดทางอย่าเพิ่งหันนะทําความรู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวแล้วค่อยหันมาหันมาแล้วก็อย่าเพิ่งเดินรู้สึกตัวอีกทีแล้วค่อยเดินถ้าหันปุ๊บเดินปั๊บนะจิตจะเดินก่อนขาไปทําต่อครับดี เอาคุณนิดอยู่วัดเหรอครับพยายามพยายามจะจัดให้ให้ปฏิบัติเป็นในรูปแบบมาได้ทุกวันครับคุณพ่อครับก็ก็เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยความฟุ้งซ่านจะจะลดน้อยลงครับดีครับแล้วบางช่วงที่ปฏิบัติในรูปแบบคุเห็นเห็นว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนากลับไปกลับมาไม่ทราครับไม่มีนะวิปัสสนารวดเนี่ยไม่มีจิมจะพลิกลงเป็นสมถะเป็นระยะระยะ ก็ไม่รู้สึกว่าเห็นอย่างอย่างที่หลวงพ่อสอนก็คือว่าถึงบางขณะนี้จะเห็นว่ามันมันจืดจืดเห็นสนภาวะทั่วๆไปมันจืดชืดครับ<ช>ก็บางๆๆบางบางครั้งก็ได้ได้เห็นถูกครับไปราวนาต่อนะได้เอาต่อไปใครมาไกลๆบ้างเอาไกลๆเลยนะมาจากไหนเมื่อสี่สิบสี่ฮะเพชบูรณ์เออไกลเมื่อวานนะมี คนมาจากโตเกียวหนีลูกระเบิดมาแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งนะมาลานะได้ทุนจะไปเรียนญี่ปุ่นมหาลัยมันสั่งให้ไปวันนี้เร็วๆเลยนะห้ามทะเลทรายนะเลยเวลาเราจะตัดทุนเลยนะน่าสงสารหนูอยากส่งกันบ้านค่ะรู้ว่าอยากสิค่ะรู้ค่ะ เออว่าไงหนูอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติมอ่ะจะต้องเพิ่มอะไรล่ะที่ทำอยู่ดีไหมรู้ตัวเปล่าหนูว่าดีค่ะหนูว่าดีเนาะมันก็ดีอยู่แล้วล่ะดูบ่อยๆท่านยลยขี้เขียนนะทั้งสองคนแหละใช้ได้นะค่ะขอบพระคุณค่ะทำถูกแล้วล่ะมาัศจรรหลวงพ่อครับ เห็ขนขันมันแยกกันทํางานได้นั่นแหละนั่นแหละดีนะทั้งคู่เลยเห็นขันมันแยกใช่ไหมครับแต่ยังดูรู้ก็ไม่ค่อยเป็นกลางครับดีที่รู้ไงรู้ว่าไม่เป็นกลางนะถ้ารู้ว่าไม่เป็นกลางเดี๋ยวมันค่อยเป็นกลางเองอันนี้เป็นกลางเพราะสติแต่ไปเป็นกลางเพราะปัญญารู้เพราะสตินะรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญานี่อันหนึ่งนะเป็นกลางเพราะสตินะเป็นกลางเพราะสมาธินะเป็นกลางเพราะปัญญา กลางมีหลายกลางนะยังยังเป็นกลางบางครั้งยังเป็นกลางด้วยสติอยู่ใช่ไหมครับใช่ยังไม่ใช่กลางด้วยปัญญากลางด้วยปัญญานี่มันจะเห็นสุขกับทุกข์ดีกับชั่วเนี่ยเท่าก uh ันนะเราเท่าไหมไม่เท่าครับไม่เท่านะเพราะฉยังไม่ถึงตรงนี้ถ้าถึงตรงที่กลางด้วยปัญญาเนี่ยคือประตูของการบรรลุมรรคผลแล้กลางด้วยปัญญาจิตมีสังขารู้เบกขายานมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารต่อความปรุงทั้งหลาย ใ ห, ให้ดำเนินต่อเหมือนเดิมดำเนินดำเนินต่อทำถูกแล้วกลับครับคุณหลวงพ่อครับทำได้ดีเชฉลีละสมกับที่มาไกลนะใช้ได้อนุโมทนาทั้งสองคน22จากตรังเอตรังอ่ะค<อ>่โะโทรศัพท์หนูแรงมากเลยอ่ะคะ<อ>่ะเหรอค่ะหนูขิ้โมโหแล้วก็มันชอบไปร่าวรางคนอื่นเค้าอะค่ะ จนทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอแล้วหนูหนคะหนูไปทําอะไรนะไปพู้จาเสศสีอะไรพวกนี้คะ่ะพู้จาไม่ดีใส่คนอื่นขี้โมโหใส่คนอื่นแล้วหนูก็มีสติตามรู้ไม่ทันเออนะฝึกไปเรื่อยต่อไปมันเร็ว <c oughs> สติค่อยเร็วขึ้นหลอกดีแ ล, ล้วล่ะที่หนูเห็นอย่างนั้นน่ะค่ะแต่หนูสงสารคนอื่นเขาอะคะ่ะหลวงพ่อก็สงสาร <c oughs> แล้วม่ความรูสว่าเหมือนมันจะแรงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเราไม่เก็บกดถ้าเราทำแต่สมาธินะเรากดนิ่งๆนะกิเลสไม่แรงหรอกนะมันครูบาอาจารย์เขาเรียกกรมมฐานแบบเอาก้อนหินไปทับหญ้าไว้วันใดเอาก้อนหินออกแนละยหญ้าก็งอกไหมแถมงอกแล้วมีดอกเบีย้ยด้วยยโมโหกว่าคนทั่วๆไปพวกที่ติดความสงบแต่ตอนมันเป็นช่วงเดียวแหละต่อไปภาสติมันเร็วขึ้นน้ําจะอ่อนลง กิเลสจะอ่อนลงแล้วช่วงนี้หนูต้องปล่อยมันเป็นแบบนี้เหรอคะหนูตั้งใจไว้เลยตั้งแต่ตื่นนอนนะทุกวันตั้งใจว่าเราจะรักษาศีนนะหลห้าก<จ>ลางวันก็ตั้งใจอีกตอนค่าก็ตั้งใจอีกตั้งใจเวลาหลายๆๆรอบนะ เ, ปเป็นการย้ํากับตัวเองเป็นการเตือนตัวเองว่าถึงกิเลสจะครอบงาจิตยังไงเราก็จะไม่ละเมิดคนอื่นนะเพราะฉะั้นศีลเนี่ยจำเป็นพวกที่ทําสมถานะ ไม่ค่อยไปยุ่งกับใครอยู่แล้วแต่พวกที่จะเดินมิปัสสนาเนี่ยไม่เก็บกฎงั้นกิเลสจะแรงนะนี่เคยติดสมถธามาก่อนนะกิเลสจะแรงกว่าคนทั่วไปหนูนั่งสมาธิไม่เป็นนะคะเหรอคะเพราะงั้นยังไม่แรงเต็มที่หรอกถ้าติดสมาธนะิถ้าแรงสุดเลยงั้นหนูตั้งใจรักษาศีลไว้ น, หนะหนก็นตั้งใจอยู่ะคะ่ะแต่ว่า ม, มันจะแล้วเวลาไปเล่นงานเขาแล้วเสียใจให้รู้ว่าเสียใจนะ ดูลงไปเลยเห็นมีแต่ทุกข์แต่โทษไปเล่นงานคนอื่นแล้วเนี่ยเกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาเห็นอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปไม่อยากเล่นงานใครหรอกเอาเบอร์เจ็ดสิบสี่นี่ชาวนาครสวรรค์เขาก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ผมไปรู้สึกตัวบ่อยๆอะครับก็มันก็ยังไม่ค่อยบ่อยครับแต่ว่ามันเห็นชัดขึ้นว่ามันมีความจงใจปนมาขณะที่รู้แต่ละขณะครับอืมเวละจงใจแล้วมันแน่นนะ มันแน่นหน้าผากครับแต่ว่ามันก็แป๊บเดียวมันก็จะหลงใหม่แล้วเดี๋ยวก็กลับมาแน่นใหม่แล้วรู้บ่อยๆห ล, ลงแล้วรู้บ่อยๆแล้วอย่างนี้เรียกติดเพ่งรึเปล่าฮะอย่างนี้ใช่ติดเพ่งไหมครับยังไม่ถึงขนาดนะถ้าติดเพ่งจิตไม่ยอมเคลื่อนไปไหนเลยนิ่งๆอตอนนี้ยังไม่ติดหรอกก็ฝึกอย่างนี้ต่อโดยโดยพื้นฐานเราใจเราฟุ้งง่ายครับใช่ไหมงั้นเราให้มีเครื่องอยู่ไว่นหนึ่งจะอยู่กับพุทโธอยู่กับสวดมนต์อะไรสักอย่างก็ได้นะอยู่กับลมหายใจก็ได้ แต่อย่าน้อมใจให้ซึมพุทโธเล่นๆไปหายใจเล่นๆไปแล้วค่อยรู้สึกตัวจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้เอาเดี๋ยวมันจะค่อยสงบลงบก็ฝึกฝึกอย่างนี้ต่อนะครับ อ, อถ้าไม่มีเครื่องอยู่นะอยู่ๆ อ, อย่าไปบังคับจิตให้สงบบังคับจิตให้รู้สึกตัวบังคับจิตให้นิ่งไม่จะแน่นไปอย่าเพ่งไปงั้นเราไม่บังคับหรอกเราอยู่กับพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้นะอันนี้มันจะกลับมาเองไม่แน่น ขอคุณครับ้าสิบสาเชิญชงกันบ้านในรอบ3ปีนี้เจ้าคะ่ะช่วงนี้คือก็ทำรูปแบบเพิ่มขึ้นคือเดินจมกลมแต่้นระหว่างเดินเนี่ยก็อยู่เป็นช็อตๆไปชีวิตอยู่กับแค่ช็อตเดียวช็อเดียวมันก็ไม่มีอะไรแต่บางทีหลงก็คือหลงแต่เวลาตอนที่ไปบ้านตาตลอดเนี่ยเห็นอัตตามานะเยอะมากเจ้าคะ่ะกิเลสตัวนี้ใหญ่โตมโหลาเจ้าคะ่ะ กูเก่งกูดีกูใหญ่กูรู้จักกูบาอาจารยนีย้มันก็เห็นแล้วก็ไปกราบคุณแม่จันดีท่านก็บอกว่าท่านก็ถามพ่อนาแล้วท่านฟังท่านบอกมันใหญ่มากใช่ไหมเจ้าค่ะท่านบอกว่าก็ให้ทําเหมือนว่าดูเขาต่อยมวยกันนะเจ้าค่ะท่านสอนดีนะค่ะคุณรษาพ่อานาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะได้หลักแล้วค่ะดีแล้วต้องทําอะไรต่อไปไหมเจ้าค่ะทําสม่ําเสมอไปท่านะครู้ทั น, ทนกิเลสนั่นแหละดีที่สุดนะค่ะดี คุณแม่จันดีถ้าจะเหนื่อยเยอะเข้าโงพยาบาลเจ้าค่ะหาเหรอให้เลือดอยู่สองวันเ น, นี่ปกะติครูบาจารย์อยู่วัดอยู่ป่านะสบายโยมไปยุ่งด้วยมากๆนอกเลยแต่จริงๆนะครูบาอาจารย์ท่านเมตตานะมาแล้วท่านสงสารแททุ่มเทให้เสร็จแล้วนอกเลยหลวงปู่สิมเคยพูดอะ บอกว่าโยมมาแนละ้วท่านก็เทศเทศนะยิ้มแย้ ม, แ, ยมแจม่มใสนะโยมไปนะท่านหมอบเลยท่นบอกน็อกเลยนะนะอายุท่านเยอะแล้วคนะุณแม่บารมีท่านดีนะที่นะร้อเ <19 1. S 2> อ่ะเชิญครับผม ก, บบการรับราชการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครับผม เ, เมื่อช่วงก่อนที่ผมเจเริญมรณาสตินะครับแล้วก็มาประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก็รู้สึกว่ามันกระชับขึ้นก็คือรู้สึกว่ามันจะต้องคือเราเนี่ยจะต้องตายทุลมหายใจเข้าออกนะครับ mm hmm. แล้วก็เมื่อเมื่อวานเมื่อวานตอนเช้าที่ตื่นนอนลงมาแล้วก็เดินลงบันได mm hmm. ก็รู้สึกว่าช่วงเดือนประมาณเก้าเก้าที่สามเก้าที่สี่รู้สึกว่าตัวเราไม่มี mm hmm. มันว่างไปเลยออื mm hmm. แล้วก็ไปล้างหน้าก็รู้สึกว่าว่างอ mm hmm. ขึ้นมากราบพระก็รู้สึกว่าพระพุทธรูปไม่มี mm hmm. แต่ พระกรุณาที่คุณอของพระองค์มีพระธรรมแล้วก็กของพระสงค์กับผมก็รู้สึกอย่างนี้ครับหลวงพ่อดีนะภาวนาต่อไปทำได้ดีรครับดีแล้วถูกแล้วเห็นไหมเราไม่ได้มีแค่พิจารณาความตายแล้วจิตสงบเฉยเฉยนี่จิตออกมาดูขันทำงานนะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะอะไรก็ไม่มีตัวตนนี่มันคือการเดินปัญญานะตัวนี้สาคัญนะดี เบอร์75ห้ากลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ ะ, ะไม่ได้ไม่ได้มากราบหลวงพ่อปีกว่าอ๋อว่าไงว่าไงค่ะคโดยสภาพรวมแล้วรู้สึกว่าจิตเริ่มมีความสงบมากขึ้นเห็นความทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่เคยมีความสุขเลยโอ้ดีค่ะก็มีขอคำแนะนำหลวงพ่อสองข้อคือตอนนี้โยมภาวนาอยู่ที่บ้าน เป็นเพื่อนลูกที่เป็นโรคซึมเศร้าเรืออรังค่ะก็ที่เห็นสภาวะซ้ำๆก็คือการคิดนึกปรุงแต่งด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิของตัวเองว่าจะเข้าไปแก้ไขทาอย่างนั้นทำอย่างนี้จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สรุปลงด้วยความทุกข์ว่าทำอะไรไม่ได้เหมือนกับไปจัดการชีวิตเขาหรือบางครั้งก็เกิดอาการลังเลสงสัยว่า เราปล่อยไปแล้วเลยมากหรือเปล่าปล่อยเป็นตามเวทตามกรรมมากหรือเปล่าก็จะขอคําแนะนําหลวงพ่อบ้างมันสภาวะมันเข้ามาอย่างนี้ค่ะก็แค่รู้ทันนะะพิยมภาวนาใช้ได้นะภาวนาไปจิตก็มีความสุขของมันเองแหละเห็นหน้าโลกไม่มีอะไรครับทําหน้าที่ไปเท่านั้นเองทําหน้าที่เต็มที่แต่ว่าผลจะได้แค่ไหนเป็นเรื่องของกรรมละ ก็ก so ็เหมือนว่าตอนนี้ก็เลยเฉยแล้วไม่ได้ทำอะไรก็เลยมีความรู้สึกตรงนี้นี่ค่ะก็ดูแลเท่าที่ดูได้แล้วแล้วอีกข้อหนึ่งขอคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรให้ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปมีข้อบกพร่องติดตรงไหนบ้างอะไรนะมีมีข้อบกพร่องติดตรงไหนบ้างในการปฏิบัติขอคำแนะนำของหลวงพ่อปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปค่ะก็เจริญปัญญาไปเรื่อยนะสมาธิก็มีพอควรหร ดูไปกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราดูไปไม่มีตัวเราที่ไหนเลยเห็นโลกนี้ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนดูไปได้ไม่ให้จิตติดเฉยเฉยอยู่ก็ยังติดเฉยอยู่บ้างแหละค่ะนะแคบพิจนาช่วยช่วยมันพิจารณาให้เห็นในกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรารือถ้าจิตมันไปว่างๆอยู่นะก็ช่วยมันพิจารณาจะกระตุ้นให้จิตเดินปัญญา คุณมาก56ส่งการบ้านในรอบไตรามาสที่หนึ่งค่ะเมื่อวันปิดเมื่อไตรามาสที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าพื้นฐานการภาวนายังอ่อนนะคะก็ได้ไปวิเคราะห์ดู<ม>ว่าทำไมตัวเองอะคะว่าทำไมถึงอ่อนแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อฟังทุกแผ่นเลย<ม><ม>ได้ฟังทุกทุกตอนเลยในแผ่น 36-37 นะคะ นำสองสิ่งนี้มาประกอบการเหมือนมาบูรณาการก็ตอนเนี้พฤติกรรมของการปฏิบัติก็คือจะตื่นเช้าตีสี่ตีห้าถึงหกโมงก็อยู่ในช่วงนี้มาสวดมน์นะคะจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ค่ะพอรู้สึกตัวก็มาดูเห็นว่าร่างกายนี้เขากําลังนั่งสวดมน์อยู่รู้สึกว่าเขานั่งสวดมน์อยู่แล้วก็มีคิดนําบ้างนะคะว่า ดูไปว่าผมเป็นตัวเราไหมค่ะก็แต่และส่วนดูไปก็ไม่เห็นว่าเป็นคนไม่ใช่ตัวเราแล้วก็บางทีก็คิดนมไปว่าเอ๊ะจิตนี่เขาเที่ยงไห ม, มบังคับได้ไหมเียค่ะไม่ใช่ใช่ตัวเราไหมเนเสร็จแล้วก็ไปทางานช่วงไปทำงานนี่ก็มีการบูรณาการเหมือนกันก็คือ ช่วงไหนที่ไม่ได้ใช้ความคิดนะคะหลวงพ่ออย่างเช่นที่อาจารย์สุรวัตรบอกว่าช่วงเราหยิบปากกาหรือว่าเดินไปห้องน้ำเนี่ยก็รู้สึกตัวค่ะเย็นก็ไปเดินจงกลมก็รู้สึกเห็นร่างกายเขาเดินเนี่ยจิตไหลไปรู้จิตไหลไปรู้กลางคืนก็ฟังหลวงพ่อเหมือนฟังซีดีหลวงพ่อเพื่อเป็นการพักผ่อนเนี่ยคะ่ะเพราะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกตัวมากขึ้นนะคะ ก็มาขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากหลวงพ่อทำอีกนะทำอีกนะทำถูกแล้วทาดีแล้วทาอีกแล้วหลวงพ่อสําหรับตัวลูกนี่มีอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมที่ที่ควรจะทําเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราก็ทําไปด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะทําทุกวันทุกวันสม่ําเสมอมันจะได้กําลังจะได้หลักของการปฏิบัติดีไปทำอีกน่ะร้อยห้าห้า ตามนักวิาการค่ะหลวงพ่อเออพิ่งส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกอะคะ่ะเราก็ส่วนใหญ่คือฟังแต่ซีดีหลวงพ่อค่ะที่นี่ก็มาครั้งที่3จริงๆ ร, รู้สึกเหมือนกับว่าไม่คือรู้สึกว่าคิดเอาอะค่ะคือแต่ว่าไม่ยังตามดูจิตไม่ได้แล้วก็ สำหรับดูกายก็คือคือรู้ได้บ้างอย่างเช่นเวลาที่จะเดินไปทํางานหรือว่ากําลังจะเดินกลับบ้านนะคะก็คือจะเห็นว่าร่างกายเดินเองนนั้น แ, แต่ว่าสําหรับแบบการดูจิตเนี่ยก็คือรู้สึกว่ายังยังตามรู้อารมณ์หรือว่าเวลาที่จิตไหลออกไปะค่ะก็คือยังตามไม่ทันนะคะไม่ไม่ต้องทันนะมันต้องไหลไปก่อนแล้วรู้โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธน ะ, ะถ้าไหลไปรู้ตัวไปมันไม่ไหลอ มันต้องหลงไปก่อนแล้วรู้สึกว่าหลงนะ mm hmm. โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธอะไรเงี้ยความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะรู้การดูจิตไม่ได้ดูเหมือนดูกายดูกา ย, ยาดูลงปัจจุบันเป๊ะๆ เ, เลยเห็นร่างกายที่กำลังเดินเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ดูจิตเนี่ยมันจะดูตามหลังตามแบบติดติดกันโกรธนะแล้วก็รู้สึกว่าโกรธรู้ว่าโกรธติดติดกัน คือบางทีเป็นคนที่โทสะแรงอะคะ่ะแล้วพอเวลาเวลาที่ตัวเองโกรธเนี่ยรู้เหมือนกันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเจ็บรู้สึกเหมือนเจ็บอยู่ที่กลางอกอะไรอ่เงี้ยค่ะแต่แต่บางทีก็คือแต่ว่าก็ไม่เคยไม่เคยหายไปเลยอะคะ่ะคือจะออกไปทางกลายเป็นว่าออกไปทางกายตลอดคือแสดงกลียออกไปที่แบบว่าไม่น่ารักอะคะ่ะ<อ>แล้วก็บางทีก็มารู้สึกเสียใจเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าทาไม ทำไมเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเราเราโกรธแต่ว่ามันไม่หายไปอะ่ะมมันเคยชินนะกำลังของกิเลสมันแรงกว่าสติปัญญาเราแต่เราฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งกำลังสติปัญญามันก็แรงกว่ากิเลสเองแหละถ้าเราไม่ฝึกนะตามใจมันเรื่อยมันก็ยิ่งแรงใหญ่เวลาโกรธแล้วรู้สึกภูมิใจไหม เแล้วก็คือถ้า ย, ยังไม่ละหรอก <c oughs> ถ้ารู้สึกว่าได้ว่าเขาไปแล้วคือชนะเขาได้รู้สึกว่ากูเก่งเออนั่นแหละหนูไปดูตัวนี้แหละมันภูมิใจที่โกรธอ่ะมันไม่อยากละจริงหรอกมันรู้สึกเท่ดีนะแต่ว่าพอหายโกรธแล้วมันเสียใจใช่ค่ะเวลาโกรธเรารู้ไม่ทันเนี่ยเราพลาดยกที่หนึ่งนะพอไปว่าเขาแล้วเรากลับมาเสียใจเราไม่รู้ว่ากําลังเสียใจอ ย, อยู่เราพลาดยกที่สองละนะ เพราะงั้นถ้าพลาดยกหนึ่งแล้วอย่าให้เสียยกสองเสียใจรู้ทันลงไปเลยนะการที่หนูคอยรู้บ่อยๆนะวันหนึ่งสติปัญญามันเข้มแข็งนะกิเลสมันจะอ่อนแรงไปค่ะแล้วก็อีกอย่างค่ะคือหนูพยายามจะปฏิบัติในรูปแบบค่ะ mm hmm. รู้สึกว่าเหมือนกับช่วงสักหลายๆปีก่อนเนี่ยเวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าก็คือเหมือน เห็นเป็นแสงสว่างแล้วก็รู้สึกสบายแต่ทำไมช่วงหลังๆมาเนีคะรู้สึกอึดอัดแล้วก็นั่งไม่ได้อย่าไปอยากมันสินะถ้าอยากให้มันสงบอยากให้มันสว่างก็ไปบังคับจิตบังคับจิตมันก็อึดอัดอึดอัดแล้วมันก็ไม่สงบถ้าจิตสบายเมื่อก่อนนั้นภาวนาแบบอินโนเซนต์มันก็สงบง่ายนะไม่ได้จงใจให้สงบมันก็สงบง่ายอยากให้สงบมันจะไม่สงบหรอก ถ้าอย่างนั้นออถ้าเกิดว่าสวดมนต์อย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆดูเวลาที่เราสวดมนต์ว่าใจเราไหลไปหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ทำสมาธิก็คือได้เหมือนกันใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวสมาธิก็ค่อยดีขึ้นเอาเบอร์สิบขอบคุณค่ะอยู่ข้างหวังห้องไปว่าไงปั้นจันทร์ชื่อแปลกกับน้ำมศ ก, การหลวงพ่อครับเพิ่งมาส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ เป็นคนติดซึมนะครับแล้วก็ฟุ้งซ่านก็เลยมาขอคาแนะ น, นํานึงครับอย่าไปอยากหายนะเพราะว่ายิ่งเราอยากก็ยิ่งกลุ้มใจยิ่งไม่หายให้รู้มันจิตมันซึมก็รู้ว่ามันซึมนะจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแต่วางใจไว้ว่าดูเหมือนเห็นคนอื่นซึมดูมันเห็นคนอื่นฟุ้งซ่านเราเป็นแค่คนดูเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจกับมัน ใจเป็นกลางกับมันไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นจะซึมจะฟุ้งซ่านหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ตามแค่รู้เท่านั้นแหละรู้อย่างเป็นกลางเรื่อยไปแล้วมันหายเองนะจิตจะค่อยตั้งมั่นขึ้นมาหายอย่าไปบังคับเขาบังคับไม่ได้จริงหรอกขอวิหารธรรมด้วยครับถนัดอะไรล่ะถนัดรู้กายหรือถนัดรู้ใจหรือถนัดพุทโธเอาทุนันนะอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะมีวิหารธรทำอะไรนะก็คอยรู้ทันจิตไปเช่นพุโทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วก็รู้ทันจิตจิตหนีไปเรารู้อะไรเงี้ยจะดูท้องพองยุบก็ได้ดูไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้งั้นมีวิหารธรทำไว้อันหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตไหมสมาธิก็เกิดนะสมาธิก็เกิดได้96สินามัสการหลวงพ่อครับผมส่งกันบ้านในรอบหเดือน คือขราวก่อนหลวงพ่อบอกให้ผมไปดูตามดูกายไปครับผมก็เดินจงกรมก็ได้เกือบ ท, ทุกวันแล้วมันเหมือนแบบรู้ไม่ค่อยถี่ครับไม่ไม่ค่อยถี่ดังใจอะไรเงี้ยผมเลยเพิ่มแบบพูดโทพูดโทอะไรไปด้วยมันก็ทําให้รู้ว่าเราเผลอเยอะดีเยอะขึ้นกว่าที่เราเดินอย่างเดียวนี่พอจะใ ช, ใช้ได้ไหมครับได้ได้อย่างนี้เลยฉลาดอ๋อถ้าถทําแล้วสติเกิดบ่อยอันดีทั้งนั้นแหละอมันก็ไม่เครียดอะไรไปใช่ไหมครับอือ มอนเหมือนไม่เครียดคือผมเหมือนโลภอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากรู้เยอะคนนี้หน่อยหนึ่งเลยคือรู้สินะไม่รู้ทันาเลยครับผมยิ่งอยากยิ่งไม่รู้หรอกอ๋อครับแล้วช่วงหลังๆนี้ก็แบบรู้สึกว่าตัวเองทะเลทะลายไม่ค่อยทําในรูปแบบก็ก็กหมั่นไส้ตัวเองแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเลวงพ่อเขามีวิธีเราพยายามเตือนตัวเองเรื่อยๆนะรเรารพยายามพัฒนาชีวิตข้างหน้ามันไม่แน่นอนหรอกครับอยู่เฉยๆแท้ๆเลยกรรมมันตลังสียังจะมาอะไรเงี้ย ใช่ชีวิตมันเป็นของไม่แน่นอนเราขยันภาวนาไว้นะครับผมออต้องมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคิดถึงความตายบ่อ ย, อยๆแล้วขยันครับผมถ้าเราคิดว่าเรายังอยู่นานเราประมาทนะเราก็ขี้เกียจภาวนาเพรานะฉะนั้นทุกวันก็อาจจะพิจารณาว่าชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนนะอาจจะตายก็ได้อาจจะพลดัพลดพรากจากสิ่งที่เรารักเมื่อไหรก็ได้อะไรเนะี้ยนั่นเราต้องเตรียมความพร้อมของใจถ้าถ้าเราสอนตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆมันจะขยันภาวนา อดทนนะอดทนเอาอจะได้ได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ85้านี่อยู่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่เลยเนี่หลงมาอยู่ได้ตรงนี้กับ น, นมาสัการหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งกันบ้านเราที่แล้วหลวงพ่อให้ไปปฏิบัติในรูปแบบให้บ่อยขึ้นค่ะก็ได้ไปปฏิบัติแล้วเจ้าค่ะ ช่วงนี้จิตมันประคองน้อยลงบ้างเจ้าค่ะแล้วก็ปร่งขึ้นแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยมันจะยังหลงกับโลกค่อนข้างมากค่ ะ, ะไม่ค่อยรู้สึกตัวควรต้องปรับปรุงยังไงเจ้าค่ะเก็ข ย, ยันรู้สึกเอามันไม่รู้สึกเองนะเจ้าค่ะหลวงพอ่อมันมันไม่ยอมกลับมาดูอะค่ะนะน้อมใจมามนะคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆบางคนเขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะคอยปลุกแล้วค่อยรู้สึกแต่ว่า ไ, ได้ช่วงเดียวเลย ลูกติดโพสไอต์ไว้ที่โต๊ะทำงานแล้วก็หลายๆที่เจ้าค่ะแต่มันก็ยังไม่ยอมกลับมาเจ้าค่ะคอยกระตุ้นตัวเองเรื่อยๆนะนเจ้าค่ะเรือนสอนตัวเองเรื่อยๆชีวิตไม่แน่นอนหรอกต้องฝึกให้มากๆทํางานต้องคิดมากมั้งเยอะเจ้าค่ะคือถ้าทํางานที่ต้องคิดเนี่ยมันต้องจดจ่อกับงานมันไม่รู้สึกตัวนะอันนี้เป็นปกตินะแต่พอเหมือนเราหยุดทํางานแล้วเจ้าค่ะอย่างเช่นเดินไปทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็ยังไม่กลับมาเจ้าค่ะต้องหัดให้เคยชินไหม อาจจะหัดพุโทโธหัดอะไรช่วยมันก็ได้พุโทโธไปเรื่อยๆพอเผลอเมื่อไหร่แล้วมันพุโทโธเองอะ จ, อะจะได้ไม่หลงยาวต้องช่วยมันหน่อยานาดีขึ้นเยอะแล้วอขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, ะต่อไปร้อยสี่สิบหนึ่งเชิญนมมัสการค่ะครั้งที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อให้ทำเมตตาสมาธิเยอะๆค่ะเพราะว่าวี่งมากหนูก็พยายามเจริญเมตตา มันก็ดูดีขึ้นแต่มันก็พุ่งขึ้นมาใหม่อะไรนะมันก็เหมือนกับเย็นลงอะคะอ่ะแต่บางทีมันก็พุ่งขึ้นมาใหม่เงี้ยไม่เป็นไรหรอกมันเป็นอนุสัยของเราสะสมมาห้มามมันไม่ได้เราตอนนี้หนูต้องภาวนายัางไงต่อเพราะบางทีจะเลิกเมตตาไปให้จิตใจมันร่มเย็นเป็นสุขค่ะเราก็ยังทำทำสมาธิได้ไหมคะหรือว่าใช้วิธีคือทุกวันนี้จะใช้วิธีสวดมนต์แทนนะคะเพราะบางทีพอนั่งแล้วเนื่องจาก มันง่วงเหนื่อยเราจะซึมง่วงไปก็จะสวดมนต์ได้สวดมนต์นไดนะ้หรือนั่งเจริญเมตตาไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะก็นะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะได้นะนะได้หลวงพ่อสอนสมถะให้โยมเนี่ยนะสอนให้สวดมนตนะ์เพราะว่าวันๆเนีนะ้ะเรายุ่งกับโลกข้างนอกจนเราหมดแรงแนละ้วไปนั่งสมาธิรู้ลมหายใจรู้สอสมทีหลับไปแล้ว ยายมส่วนวนมนกระตุ้นความรู้สึกรู้ทันใจได้สมาธิเพิ่มขึ้นทีละน้อยๆ น, นะต่อไปก็นั่งได้ร้อยสี่กับน้ำมาสการค่ะคือปีนี้รู้สึกชีวิตมันมันเบี่ยงไปสุดตรงทุกทางอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นล้านไหนๆแล้วที่สำคัญก็คือโกรธนะคะเวลาที่เราโกรธมันจะโกรธ คือมันรู้ว่าโกรธแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันโกรธแรงถึงขั้นอาฆาตนะคะหลวงพ่อพออาฆาตไปแล้วมันมันรู้สึกยินดีกับความอาฆาตนั้นนะคะแล้วมันก็ใช่ค่ะแล้วทั้งทังที่แบบอีกใจนึงก็จะเตือนว่ามันเป็นการตอบคบต่อชาติกับคนคนนั้นแต่อีกใจนึงบอกว่ามันสมควรมันมันต้องซึ่งแบบคือแบบพอมันเวลาแบบผ่านไปก็แบบพี่ๆเขาก็จะบอกว่าให้เมตตาให้เจริญเมตตาให้แผ่เมตตา แต่ใจนึงมันแบบว่าไม่แบบมันไม่ให้อภัยเขาอะค่ะแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่ามันก็ไม่อยากจะไปต่อกับเขาแล้วเหมือนกันซึ่งพอซึนามิที่ผ่านมาค่ะมันก็ทําให้แบบปล่อยทิ้งไปหลายๆอย่างในความรู้สึกนะคะแต่พอแบบกลับไปเห็นหน้าคนคนนี้อีกมันก็ไม่ให้อภัยเขาอีกอะค่ะมือนห้ามไม่ได้นะคือหนูก็เลยแค่แบบความรู้สึกว่ามันมันเหมือนสองคนในความรู้สึกเดียวกันนะคะหนูก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะใช้อุบายอะไรอีกแล้วไม่ได้ใช้อุบายอะไรนะ โกรธขึ้นมาดูไปมีชีวิตอยู่เป็นขณะขณะไปขณะนี้โกรธขณะนี้ไม่โกรธเวลาที่โกรธก็ไม่ได้โกรธตลอดใช่ดูมันเกิดดับไปเรื่อยแต่ถ้าในแง่ที่เราไปอาคาดเขาเอาไว้มันก็คือก็ต้องรับกันต่อไปเราก็ต้องทุกข์แหละอืออมาคาดทีไรก็ทุกทุกทีเขาไม่เห็นเป็นไรเลยเราอาคาดเขาเราทุกข์ก็ค่ะหลวงพ่อคะเรา สิ่งที่มันเหวี่ยงมากเป็นเพราะเราไม่ได้ทําสมาธาิไ ม, ไ, ไม่ใช่<ำ>หรอนิสัยเราเป็นนิสัยนิสัยเราโลดผลได้ค่ะขอบพระคุณห้ามมันไม่ได้หรอกค่อยๆรู้ไปเป็นกลางกับมันเดี๋ยวมันค่อยปรับตัวเข้าสู่สมดุลหนึ่งยี่สิบเจ็ดไก่วัดนี้นะไม่ขันนะไก่วัดนี้ตะโกน <c oughs> กราบสักการเจ้าค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านในรอบหกเดือนเจ้าค่ะ ก็ยังปฏิบัติในรูปแบบอยู่ทุกวันนะเจ้าคะ่ะแล้วก็อยากจะรบ ก, กวนหลวงพ่อคะ่ะคือว่าอยากจะทราบว่าตอนนี้มีแรงขึ้นบ้างหรื อ, อยังเจ้าค่ะมีสิค่ะแรงส่วนใหญ่นี้เกิดจากการสวดมนต์หรือว่าจากจากไหนเจ้าค่ะมันเกจะไปรู้เหรอคือมีปกตินั่งสมาธิแล้วมันจะเ ค, มะคะิมั้งเจ้าค่ะแต่นี้พอหลังๆในนั่งสมาธิเราดูเวทนาแล้วมันเหมือนกับ มันไม่มันไม่มันมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ทุรนทุรายอย่เงี้ยค่ะอย่างนี้ถูกแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็ดูเจริญสติในชีวิตประจำวันดีดีขึ้นบ้างไหมค่ะอ้าวดีแล้วไม่ดีรู้ด้วยตัวเองนะเห็นไหมว่าชีวิตเราปร่งเบาขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกบ้างไหมเป็นช่วงช่วงอ่ะใ่เนีอย่างนั้นแหละมันก็ดีขึ้นแหละไปทําต่อสินะขยันนะ แต่อยากได้ผลนะถ้าอยากได้ผลไม่ได้หรอกขยันทำเหตุส่วนผลมันมาเอง57กับนกาววัสการท่านนะครับผมมาส่งการบ้านครั้งแรกครับหลังจากที่ได้มีโอกาสฟังซีดีของท่านมา2ปีแล้วครับก็มีอยู่2ประเด็นครับเรื่องสมาธิตั้งใจมั่นกับสมาธิ แบบนิ่งๆสงบสงบผมรู้สึกว่าบางครั้งก็ได้บางอย่างบางครั้งก็ได้อีกอย่างได้ไปเลยนะดีแล้วล่ะได้ <c oughs> ทั้งคู่อ่ดีแ ล, แล้วแล้วประเด็นที่สองก็คือประเด็นเรื่องที่ว่าบางตอนหลังๆนี้เริ่มรู้สึกได้ว่าเวลาอะไรมากระทบอารมณ์เนี่ยรู้สึกว่าถูกกระทบนะแต่ว่าไม่ไม่กระเทืนอนไม่กระเทือนต้องดูอีกนะไม่กระเทือนเพราะเราประคองจิตไว้หรือเปล่าถ้าจิตทรงสมาธิกระทบแล้วไม่กระเทือน อันนี้มันธรรมดาแต่ถ้ามันมีปัญญานะมันจะเห็นกระทบแล้วจิตกระเทือนขึ้มารู้ทันนะกระทบแล้วกระเทือนรู้ทันต่อไปความกระเทือนมันค่อยลดลงมันเริ่มเห็นว่าสิ่งที่มากระทบนะั้นมีสาระแก่นสาราอะไรออกมาชั่วคราวแล้วจิตไม่กระเทือนเพราะมีปัญญาอันนี้ดีที่สุดเลยแล้วอีกประเด็นนึงในเรื่องของที่ว่าไม่ยินดีเมื่อได้กับไม่ยินร้ายเมื่อเสียเนี่ยมไม่ทราบว่าเป็นเพราะมัน ติดยึดว่าเราท่องไปหรือว่ามันเป็นตัวจิตของเราจริงๆที่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอย่างเช่นบางครั้งเราสูญเสียบางอย่างแต่รู้สึกว่าไม่ไม่ถึงขั้นเสียดายแต่รู้สึกว่าเสียแต่ไม่ไม่เสียดายแบบร้องไห้อะไรขนาดเนี่ยเราฉลาดขึ้นน ะ, นะจิตมันมีสติมีปัญญามากขึ้นมันยอมรับความเป็นจริงได้มากขึ้นมันก็ไม่ไม่เศร้าโศกเสียใจแต่ว่าความรู้สึกเสียดายความรู้สึกสูญเสียยังมีก็เรื่องธรรมดา ดังนั้นแนวทางปฏิบัติต่อไปเนี่ยเรื่องของสมาธิควรจะปฏิบัติทั้งสองทั้ง<ด>น้น<อ>งกับได้สองอย่างดีที่สุดนะครับเพียงแต่แยกให้ออกนะ้นว่าตอนนี้สมาธิแบบไหนพวกที่ภาวนาแล้วไปไม่รอดนะเพราะเอาแต่เคลิ้มอะสมาธิเคลิม่มเคลิมยังไปทำอะไรได้ไม่ได้กินหรอกครับอกบกลับน้ำมัสการค่ะนั่งสมาธิแล้วพิจรารณาเวทนาแต่ละส่วน คือบางทีรู้สึกนั่งไปเนี่ยมือมันเผอเกรงอย่างนี้แสดงว่าเราไปเพ่งหรือเปล่าคะคือถ้าถ้าไม่เพ่งนี่จะรู้สึกสบายไม่จะผ่อนคลายอ๋อค่ะแต่บางคนถ้าติดเพ่งมาก่อนนะมันอดไม่ได้ค่ะเลยรู้สึกเวลาเริ่มต้นเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยถึงเท้าเลยส่วนไหนเกร็งนะก็คลายมันไปคหัดคลายมันไปเรื่อยๆกลับมามันก็ไม่ค่อยเกรงค่ะค่ะพวกเกร็งเนี่ยเป็นพวกเอาจริงเอาจังบังคับตัวเอง ค่ะยังเป็นอยู่อะค่ะนะไปรู้ทันเอานะค่ะแล้วแล้วเวลานั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งใจประมาณทำหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็สลับไปบริกรรมแล้วขยับกายดูอ น, นิจจังความสุขบ้างหรือบางทีก็ไปสวดนมนต์บ้างสลับกันได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเป็นคนคนไปนะบางคนต้อสู้ตายไม่ขยับเลยค่ะบางคนก็ขยับได้แล้วดูเอาว่าทำแบบไหนแล้วสติสมาธิปัญญากเกิดเอาแบบนั้น ค่ะหนูรู้สึกว่าจะติดสุขคือถ้ามีความสุขเราจะไปได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะไปได้ดีหมายถึงอะไรหมายถึงว่ารู้สึกว่าทำแล้วทําแล้วอมันโปร่งโล่งเบาสบายมีสมาธิมากกว่าแน่นอนแน่นอนก็โดยพื้นฐานเราขี้โมโหค่ะาตเราทํากรรมฐานที่มันมีความสุขมันถึงจะสงบขึ้นมาค่ะแลยิ่งไปเค้นมันนะยิ่งโมโหใหญ่ค่ะ เราควรเพิ่มเติมหรือว่าระวังอะไรไหมคะตอนนี้สังเกตเอานะ ส, <ฆ>สังเกตเอาเดินไปเรื่อยด้วยความระมัดระวังคอยดูอันไหนออกนอกรูกูนอกทางเราค่อยรู้ทันค่ะค่ะหลวงพ่อสอนหลักให้เยอะแล้วไปเดินเอาเองค่ะกลับพอพบคุณค่ะคนสุดท้ายละที่เหลือเตรียมไปเชงเมงได้ละ <c oughs> ช่วงนี้คนมาเช ง, งเมงเยอะเนี่ยดูดูเชงเม้ง นมัสการค่ะเพิ่งมาวัดครั้งแรกค่ะจากอเมริกาค่ ะ, ะรู้สึกว่าตัวเองนี่จะได้สมถะเพราะว่าจะสงบแล้วก็เห็นแต่แสงสว่างแล้วเจอพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งเขาปฏิบัติพอสมควรเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นการเดินจงกลมแทนแล้วเปลี่ยนเพื่ออะไรล่ะ เขาบอกไหมว่าให้เปลี่ยนเพื่ออะไรเขาบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ติดในสมาธิ<ม> ใ, นในสมถะมทําสมถะมานานแล้วเริม่ม ท, มทําสมถะได้แล้วแล้วเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นวิปัสสนเ์เดินจงกรมแทน<ม>ซึ่งตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบเดินจงกร ม, มแต่ทีนี้อยากทราบว่าอะไรที่เดินจงกรมแล้วคือวิปัสสนาค่ะ ถ้าวิปัสสนาอยู่ตรงนี้นะถ้าเมื่อไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจะถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเดินจงกรมไปเรื่อยแล้วเห็นร่างกายมันเดินนะจิตก็เพ่งนิ่ๆอยู่ก็สมถะอยู่ดีแหละแต่ถ้าเดินอยู่เห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูนะร่างกายที่เดินอยู่นี่รู้สึกเลยเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเดินไม่ใช่เราเดินหรอกนละอย่างนี้ถึงจะเดินวิปัสสนาได้ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะค่ะ คือถ้าเมื่อไหร่เห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายมันเดินไปเหมือนเราเห็นคนอื่นเดินนะไม่มีตัวเราไม่ใช่เราแล้วดูจนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ถึงจะเดินมีปรัชนาคือบางครั้งก็จิตมันก็ไหลไปตามต้นไม้หรือ อ, อ, อันนี้กลิ่นหอมดีนะ อ, อ, อะไรอย่างนี้ถ้าตรงนี้เรารู้ทันว่าจิตหลงไป เราเห็นเลยจิตมันไม่เที่ยงแฮมันรู้ตัวอยู่ดีหนีไปโ น, โน่นแล้วบังคับไม่ได้มันหนีได้เองอย่างเนี้เดินปัญญาลออแล้วเราแล้ ว, แ ล, วแล้วพอเราย่างเท้าอย่างเงี้ยฮะมันก็โอเคตรงนี้เหยียบพื้นรู้ว่าเหยียบพื้น อ, น ะ, อะไรเหยียบอะเท้าเอ้นั่นแหละสมถะถ้าเห็นเลยตัวที่เดินอยู่ตัวที่เหยียบพื้นอยู่ไม่ใช่เราหรอกอย่างนี้ถือจะเป็นการเจริญปัญญาแล้วถ้าเรา แค่รู้ว่าเนื้อเราสัมผัสพื้นแล้วค่ะเหร อ, หรอไม่ใช่วิปัสน า, าหรอกมันเป็นเนื้อเราหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะหนูต้องแยกให้ชัดก่อนนะไหนสมถะไหนวิปัสนาอย่างปนๆกันเอาเชิญกลับบ้านไป